อาการที่เราเรียก่ฝ่ายบวกโลกธรรมฝ่ายบวกอิจธาลมอิจธาลมก็คือโลกธรรมฝ่ายบวกคือได้ยศได้ทรัพย์ได้รับคำสรรเสริญหรือว่าประสบสุขเพราะเราก็เตรียมเมื่อสติเราทำให้เราเระมัดระวังว่าสักวันหนึ่งมันก็จะลงแลวลงเนี่ยเราไม่รู้ว่าลงแบบไหนลงแบบ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 อาชีพการงานของเราแต่ว่าอีกส่วนหนึงคือต้องเตรียมภายในคือเตรียมใจด้วย เ, เตรียมใจนี่ก็มีความหมายหลายอย่างนะเตรียมใจอย่างง่ายๆก็คือเลือลึกไว้ว่ามีสติว่ามนันอาจจะเสือ่อมนึกไว้อยู่เสมอรวมทั้งนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นอันนี้เราเรียกมรณะสติ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 วัยรุ่นมีโทรศัพท์มือถือมีกระเป๋าราคาแพงยี่ห้อดังอาจจะเผลอไปเข้าใจว่ามันเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นของมันคือเวลาของหายหรือเวลาลืมทิ้งเอาไว้เช่นลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่บ้านนี่ อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยอยู่ที่ทำงานนี่กระสับกระสายเลยไม่เป็ น, นไม่เป็นอันทำงานมีแต่ความวิตกกังวลอันนี้แล้วว่าเราเป็นทานมันหรือเวลากระเป๋าราคาแพงมามีรอยขีดรอยขวนขึ้นมาหรือว่ารถยนต์ของเรามีรอยขีดรอยขวนขึ้นมาโอ้ยแทบจะร้องไห้นอนไม่เป็นสุขเลยกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจ อันนี้เราเป็นเราเป็นของมันไปแล้วนะคือเราเป็นทาสของมันเราเป็นทาสของมันอันนี้พอเราไป่วยไปยึดมันเอาไว้ว่าเป็นของเราทันทีที่เราไปยึดไป่วยว่ามันเป็นของเราเรากลายเป็นของมันทันทีแล้วเราก็ทุกทุกเพราะมันกลายเป็นทาสของมันไปบางทีตายเพราะมันก็ได้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 แล้วคนเดี๋ยวนี้ทุกกันมากเครียดกันมากนะยาที่ขายดีที่สุดคือยาคลายเครียดนะตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนี่เขาบอกว่าใบสั่งที่เป็นยาคลายเครียดนี่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นหรือหนึ่งในสี่ของยาทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อทุกวันนี้เรามีสิ่งปลนเปลือความสุขมากมาย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 จากเหตุการณ์บ้านเมืองในสิ่งเหล่านี้มันสอนธรรมะให้แกเราได้มากอย่าไปสนใจเพียงเพราะว่ามันน่าสนใจเพราะมันน่าตื่นเต้นอันนั้นเรียกว่าไปสนองความรู้สึกแต่ไม่ได้สนองปัญญาไม่ฉลาดถ้าฉลาดนี่ก็คือเพื่อช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเราเรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวโอเปอเรอก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 ไม่ว่าจเจริญในทางกายไม่ว่าจเจริญในทางทรัพย์ไม่ว่าจเจริญในทางสติปัญญาหรือว่าจเจริญในทางเกีดยรติยศชื่อเสียงก็ต้องเตรียมพร้อมนะที่จะรับมือกับความผันผวนโลกนี้มันเต็มไปด้วยความผันผวนเราต้องฉลาดอยู่กับมันได้อย่างไม่ทุกข์เหมือนกับลิงงู ลิ้น ง, งูนี่มันอยู่ท่ามกลางเขี้ยวของอสรพิษแต่ว่าเขี้ยวสรพิษนี่ก็ทํำอะไรไม่ได้ชีวิตเรานี่เหมือนก็อยู่ท่ามกลางอสรพิษแต่ว่าถ้าเราอยู่กลางปากอสรพิษมันก็ลิ้น ง, งูเนี่ยเนีมันก็ไม่ตายเั่นการที่เรามาเจริญสตินี่นะมันมันช่วยให้เราได้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขาร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 ถ้าใช้ไม่เป็นก็ทุกข์เป็นพ่อเป็นแม่ลูกไม่เชื่อฟังก็ทุกข์ลูกพอเริ่มโตแล้วไปใกล้ชิด ก, กับเพื่อนมากแม่ก็ทุกข์เพราะแม่อยากจะให้ลูกใกล้ชิด ก, กับตัวเหมือนเมื่อก่อนเห็นลูกนี่มีไปเชื่อฟังเพื่อนมากกว่าแม่แม่ก็น้อยใจอันนี้ก็เรียกว่าก็ทุกข์นะทุกข์เพราะว่าไปยุดติ ก, กับความเป็นแม่มากเกินไปมาปฏิบัติธรรมก็ทุกข์คิดถึงลูก